วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากเป็นวันที่อยู่ระหว่างวันเสาร์อาทิตย์และวันสิ้นปีวันปีใหม่ทางราชการก็เลยให้หยุดต่อเนื่องกันจะได้ ทีเดียวห้าวันเพื่อที่จะได้ไปพักผ่อนไปหาความสุขต่างๆกันแล้วแต่ว่าจะชอบความสุขแบบไหนถ้าเป็นสาวธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่บุญฝ่กุศลก็จะมาหาความสุขจากการทำบุญต่างๆ การทำบุญนีนะ่เป็นการให้ความสุขกับใจเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่าเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจจะไปกับใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขใจนี้เป็นสิ่งที่ใจเอาไปได้คือบุญนี่เอง ส่วนความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูมหะรศบบันเทิงต่างๆไปกินไปดื่มอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ติดไปกับใจเพราะเป็นความสุขที่จะจางหายไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ได้ไปเที่ยวมาได้ไปดูไปฟังอะไรมาได้ไปกินไปดื่มอะไรมาความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็จะจางหายไปจะปล่อยให้ใจนี้มีความรู้สึกวางอ้อางวาง้างเปล่าเปลี่ยวมีความรู้สึกไม่มีความอิ่มความพอทำให้ต้องไปหา ความสุขเหล่านี้อยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นเหมือนกับยาเสพติดดีๆนี่เองการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดเวลาที่ได้เสพยาเสพติดก็จะมีความสุขแต่พอลิยามันหมดไปความอยากจะเสพยาเสพติดก็เกิดขึ้นมาใหม่ แล้วถ้าไม่สามารถหายามาเสพได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจนี่คือลักษณะของความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผธพะทางกรรมมกุลห้าเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่อยู่ติดกับใจเพียงแต่สัมผัสแล้วก็ผ่านไป สัมผัสรับรู้แล้วก็ผ่านไปหมดไปพอผ่านไปหมดไปใจก็รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกเศร้าซ้อย ง, ง่อยหเหงารู้สึกว้าเเวรู้สึกมีความหงุดหีิดใจต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเส่ต่อถึงจะบำบัดกำจัดความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว<ม>ไปได้ชั่วคราว แล้วหลังจากนั้นก็เกิดความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมาอีกเป็นรอบรอบไปรอบนี้ไปเที่ยวกันห้าวันก็มีความสุขกันพอกลับมาจากเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปความอยากจะไปเที่ยวใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องรอวันหยุดข่าวต่อไปแล้วก็ต้องรอมีกำลังทรัพย์ที่จะต้องใช้ในการที่จะ ซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผดภัณชนิดต่างๆเพราะการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องมีรายจ่ายต้องมีเงินทองไว้ใช้ใจ่ายถ้าไม่มีเงินทองก็จะไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้อยู่บ้านก็รู้สึกบหงุเหงิดเศร้าซ้อยหงอยเหงาถ้าต้องอยู่นานๆก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้ นี่คือโทษของการไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพละในรูปแบบต่างๆเป็นสุขชั่วคราวแล้วก็จะกลายเป็นทุกข์ตามมาต่อไปเวลาที่ไม่ได้เสพเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำบุญในรูปแบบต่างๆ เป็นความสุขที่ไม่จางหายไปจากใจเป็นความสุขที่จะติดอยู่ในใจไปน่าจะเป็นความสุขที่ใจสามารถอาศัยได้เวลาที่ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจก็อาศัยบุญที่ได้ทำไวน้นี้ที่มีสะสมไว้อยู่ในใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุข ทำให้ใจนี้เวลาตายไปก็จะได้ไปอยู่สู่สุคติไปอยู่พบที่มีแต่ความสุขเช่นบพบของเทวดาทั้งหลายที่เราเรียกว่าสวรรค์อันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทำบุญทำทานกันแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทอง แทนที่จะเอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังกันเราเอาเงินทองนี้มาทำบุญกันทำบุญกับผู้ใดก็ได้แล้วแต่จะศรัทธามีศรัทธากับพระศาสนาก็ทำบุญกับพระศาสนาทำบุญกับพระสงองค์เจ้าทำบุญกับวัดวารามโดยจกเข้าของเงินทองใส่บาตร ถวายสังฆทานอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทําบุญให้ทานการให้นี้เรียกว่าทาน ใ, ให้แล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาบุญคือผลที่เกิดจากการให้ทานไม่ว่าจะให้ใครก็ตามก็เป็นทานเหมือนกันให้พระสงฆ์องค์เจ้าให้วัดวอารามก็เป็นทาน ให้คาราวาดญาติโยมเช่นให้บิดามารดาปู่ย่าตายายเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือผู้ที่ตกทุกข์ไร้ผู้ที่ตกทุกข์ทั้งหลายที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเช่นมีภัยเกิดขึ้นทางธรรมชาติไม่ ว, ว่าจะเป็นน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เรานําทรัพย์ของเราไปซื้อสิ่งของต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือกลุ่คนเหล่านี้ก็เป็นการให้เหมือนกันเป็นทานเหมือนกันแล้วผลที่เกิดจากการให้ก็คือบุญเหมือนกันบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจนี่ที่จะสะสมอยู่ในใจไปเรื่อยๆทําบุญมากก็จะมีบุญสะสมอยู่ในใจมากเหมือนกับเอาเงินเข้าไปฝากไว้ในธนาคาร เวลาเราเอาเงินไปฝากแต่ละครั้งนี้ยอดเงินฝากก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ฝากร0 0ยหนึง่งพวกนี้ฝากสองร้อยอาทิตย์หน้าฝากอีกสองร้อยยอดก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่จางหายไปจะสะสมอยู่ในใจเพราะขณะที่ใจยังมีชีวิตอยู่ใจยังไม่ต้องอาศัยยังไม่ต้องเอาบุญนี้มาใช้เพราะว่าสามารถนี่ มีความสุขจากการทำความดีต่างๆได้สามารถอยู่ได้ด้วยการเลี้ยงดูร่างกายให้เป็นปกติสุขก็พอถ้าร่างกายมีปัจจัยสีมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศาัยมียารักษาโรคร่างกายก็จะอยู่สุขสบายก็จะทำให้ใจมีความสุขสบายไปด้วยและบุญที่ทำที่ได้สะสมไว้ในใจ ก็จะทำให้ใจนี้มีความสุขอยู่เรื่อยๆจะไม่รู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าเวเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ mm hmm. เพราะว่ามีความสุขใจอิ่มใจพอใจที่เกิดจากการได้ทำบุญทำทานนี่เอง mm hmm. อันนี้แหละเรียกว่าเป็นบุญเรียกว่าเป็นความสุขความสุขแท้หรือความสุขจริงเป็นความสุขที่ จอยู่กับใจไปเรื่อยๆจะเริ่มหมดลงก็ต่อเมื่อเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะต้องต้องอาศัยบุญที่ได้สะสมไว้ในใจเอามาใช้เพราะว่าช่วงที่ตายไปนี้ไม่สามารถทำบุญได้แล้วคนเราจะทำบุญได้ก็เฉพาะเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นเอง ขณะที่เราเป็นมนุษย์นี้เราก็ทำบุญไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็ได้เพิ่มความสุขใจภายในใจให้มีมากขึ้นแล้วแล้วความสุขใจก็ก็ยังอยู่กับใจไปเป็นส่วนใหญ่อาจจะหมดไปบ้างจากการที่เราได้มีความรู้สึกมีความสุขจากการทำบุญของเราแต่บุญส่วนใหญ่นี้จะอยู่ในใจของเรา แล้วถ้าเราทำบ่อยๆทาเป็นประจำเช่นชาว บ, บ้านเขาจะทำบุญใส่บาตรกับบนทุกวันเพราะว่ามีพระมาบิณฑบาตผ่านบ้านเขาเขาก็เลยมีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรแม้จะไม่ ม, มากนัก็าตามแต่ก็เป็นบุญที่จะทำให้เขามีความสุขได้มีความสุขจากการได้ทำบุญในปัจจุบนัน แล้วก็มีบุญสะสมไว้สำหรับเอาไปใช้ต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>นี่แหละคือความสุขแท้<ม>ความสุขที่ไม่ที่ยั่งยืนที่จะอยู่กับใจซึ่งมีอยู่หลายระดับด้วยกันระดับแรกระดับที่น้อยที่สุดเรื่องง่ายที่สุดก็คือระดับการทำบุญทาทานการให้ทาน<ม>การให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่น ผู้ให้ผู้ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการเสียสละแบ่งปันของผู้ให้เรียกว่าทานทานในพพุทธศาสนานี้ท่านสอนไว้ว่ามีอยู่4รูปแบบด้วยกันที่เราจะสามารถทําทานสามารถให้ให้แก่ผู้อื่นได้ชนิดแรกนี้เราเรียกท่านเรียกว่าวัตถุทาน วัตถุ ก, ก็คือข้าวของเงินทองต่างๆเช uh ่น huh. ญ, ญาติโยมใส่บาตถวายสังฆทาน uh huh. ถวายกุฏิสวายโบสถวายเจดีย์สร้างพระพุทธรูป uh huh. ถวายข้าวของสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระสองฆ์องเจ้า uh huh. ที่จำเป็นต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีวัดวาอารามไม่เป็นที่อยู่อาศัย ของพระภิกษุที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่ให้กับศรัทธาญาโยมได้มาทำบุญได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมด้วย mm hmm. สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าวัตถุทานคือให้ให้ด้วยข้าวของเงินทองบา mm hmm. งทีเราก็ไม่ได้ให้ข้าวของเพราะเราไม่รู้ว่าทางวัดขาดแคลนอะไรเราก็บริจากเป็นเงินทองไปให้กับวัด วัดก็จะได้เอาไปใช้ชำระหนี้สงฆ์เพราะวัดก็มีหนี้สงฆ์เพราะวัดต้องมีการทำนุบำรุงรักษาเวลาที่ถาวรและวัตถุต่างๆเกิดอาการสุดชำรุดทุดทรมก็ต้องมีการปฏิสังขรณ์มีการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและสามารถใช้งานใช้การได้ นี่คือวัตถุทานซึ่งนอกจากการให้วัดแล้วก็ให้ทางโลกก็ได้เช่<ม>นครูบาอาจารย์ท่านก็สร้างโรงพยาบาลให้กับทางโลกคร<ม>ูบาอาจารย์ท่านก็อาศัยเงินทองที่ศรัทธาญาโยมถวะให้กับวัดแต่ทางวัดนี้พอเพียงแล้วมีเหลือแล้วก็แบ่งเอามาทําคุณประโยชน์ให้กับโลกท่านเรียกว่าสงเคราะห์โลก สมัยที่หลวงตาอยู่ท่านก็สงฆ์ข้โลกมีญาติโยมเอาเงินทองไปถวายท่านอยู่เรื่อยๆแต่ทางวัดก็ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะเป็นวัดป่าไม่มีถาวรและวัตถุไม่มีน้ำไม่มีไฟที่วัดป่าบ้านตานี้สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าแล้วน้าประปาก็ไม่มีใช้น้ำบ่อเอาใช้สูบน้ำบ่อขึ้นมาใส่ปีบ๊บแล้วก็เข็นรถไป ใส่ไปตามห้องน้ําต่างๆไปตามกุฏิต่างๆไว้ใช้สอยอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายมากแต่ยาติัธาญาตยมก็ถวายปัจจัยให้กับหลวงตาหลวงตาท่านก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับค่าใช้จ่ายของทางวัดส่วนที่เกินท่านก็เอาไปสงเคราะห์โลกตอนต้นท่านก็สงเคราะห์ชาวบ้าน หมู่บ้านมั่ตาดก่อนเขามีภัยแล้ง mm. หน้าแล้งไม่มีน้ำหลวงตาท่านก็ทําที่กักเก็บน้ำไว้ให้ mm. ให้สําหรับให้ชาวบ้านมาตักน้ําใช้ได้ขุดบ่อให้มีน้นําน้ําบ่อไว้ mm. ไว้ตักขึ้นมาใช้การได้ mm. มีทั้งสะสะเก็บน้ํามีทั้งบ่อน้ํา mm. แล้วก็สร้างโรงเรียนให้กับ หมู่บ้านหมู่บ้านก็มีโรงเรียนอาคารของโรงเรียนก็ชำรุดทรุดโทรมท่านก็สร้างขึ้นมาให้ต่อมาท่านก็ไปช่วยเหลือที่อื่นที่ไหนที่เขาเดือดร้อนเขาก็มาขอความสงเคราะห์โรงพยาบาลต่างๆก็มาขออุปกรณ์การแพทย์บ้างขอรถพยาบาลบ้างขอให้ช่วยสร้างอาคารรักษาพยาบาลบ้าง ท่านก็เอาเงินทองเหล่านี้ที่ศรัทธา ญ, ญาติโยมบริจาคนี้เอาไปสงฆ์ข้อโลกเพราะว่าเงินทองสําหรับวัดนี้มีพอเพียงแล้ว <Yeah. S 1> นี่เรียกว่าเป็นการให้วัตถุทาน <Yeah. S 1> เกิดจากทานของศรัทธา ญ, ญาติโยมญ <Yeah. S 1> าติโยมบางทีก็ถวายอาหารแล้วถวายจีวรแล้ว <Yeah. S 1> ยังไม่อิ่มใจอยากจะถวายอีกก็เลยถวายเป็นเงินทองไว้เผื่อ บาอาจารย์ท่านจะได้พิจารณาความเหมาะสมว่าควรจะเอาไปใช้ในทางใดนี่เรียกว่าวัตถุทานซึ่งเป็นสิ่งที่ญาติโยมส่วนใหญ่จะทำกันเพราะว่าทุกคนก็มีเงินมีทองพอที่จะแบ่งมาทำบุญทำทานได้พอที่จะมาซื้อข้าวซื้อของที่จาเป็นต่อการบริโภคต่อการ ย่งชีพของพระสงฆ์องค์เจ้าได้ก็ใช้เงินทองเป็นการให้ซื้อวัตถุมาซื้อเข้าของมาอันนี้เรียกว่าวัตถุทานทานชนิดที่สองนี่ก็คือวิทยาทานคือการให้วิชาความรู้ญาติโยมบางท่านอาจจะไม่มีไรายได้มากเช่มีอาชีพเป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งอาชีพ เหล่านี้ไม่มีเงินรายได้มากมีพอที่จะเลี้ยงชีพของตนเองไม่มีเงินเหนือพอที่จะเอาไปทาบุญทาทาน<ม>ก็ใช้การให้วิทยาทานคือให้วิชาความรู้กับผู้ที่อยากจะเรียนหรือเช่นนักเรียนที่อยากจะเรียนเรียนพิเศษเรียนวิชาที่เวลาศึกษาในห้องเรียนแล้วยังไม่เข้าใจต้องออกมาเรียนต่อ ข้างนอกเรียนพิเศษถ้าครูอาจารย์มีความรู้ในวิชาต่างๆเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาสอนเด็กโดยที่ไม่คิดเงินทองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้วิทยาทานให้วิชาความรู้เป็นวิทยาทานได้ความสุขเหมือนกับการให้เงินให้ทองและเหมือนกับการให้ข้าวของเงินทอง จะมีความสุขมากสุขน้อยก็อยู่ที่คุณค่าราคาของวิชาการที่เราให้กับเด็กอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่มีเงินทองมากอยากจะทําบุญก็สามารถทำบุญด้วยการให้วิชาความรู้ทั้งวิชาความรู้ในรูปแบบอื่นก็ให้ได้เช่นถ้ารู้จักวิธีเย็บปักถักร้อยมีเด็กอยากจะมาสอนอยากจะมาเรียนรู้วิธีเย็บปักถักร้อยก็สอนให้เขาไปอ ตัดเดย็บเสื้อผ้าทำกับข้าวกับปลาหาอะไรต่างๆตันนี้ก็เป็นวิชาความรู้เหมือนกันการที่เราสอนวิชาเหล่านี้ให้กับผู้ที่ก็มาเรียนรู้แล้วเขาสามารถเอาวิชาความรู้นี้เอาไปทำมาหากินเลี้ยงชีพของเขาได้ก็เป็นเหมือนกับการให้ข้าวของเงินทองเข้าไปแต่เป็นการให้วิชาความรู้เขาไปแทนซึ่งจะดีซึ่งอาจจะดีกว่าการให้เงินทองไปเสียได้ซ้ำไป ให้เงินทองเข้าไปเขาใช้วันสองวันมันก็หมดได้แต่ให้วิชาความรู้ที่เขาสามารถนำเอาไปทํามาหากินเลี้ยงชีพได้มันเขาก็จะสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่จําเป็นที่จะต้องกลับมาขอเงินขอทองเราอยู่เรื่อยถ้าให้เงินให้ทองไปนี้เขาใช้หมดแล้วเขาเดือดร้อนเขาไม่มีรายได้อะไรเขาก็อาจจะต้องมาขอขอเงินขอทองจากเราอีก แต่ถ้าเราสอนวิชาความรู้ให้กับเขาพอ เ, เขารู้วิธีทำรรมาหากินมีรายได้ของเขาเองได้เขาก็ไม่ต้องที่จะมาขอเราอยู่เรื่อยๆนั่นเองมีสุภาษิตโบ ร, ราณที่พูดไว้ว่าอย่าให้ปลาเขาแต่สอนวิธีตกปลาให้กับเขาให้เขารู้จักวิธีหาปลาของเขาเองพอเขารู้จักวิธีตกปลาหาปลาของเขาเองได้แล้ว เขาก็ไม่ต้องมาขอปลาจากเราอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราให้ปลาเข้าไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลาหมดเขาไม่รู้จักวิธีหาปลาใหม่เขาก็จะมาขอปลาจากเราอีกนี่คือการให้วิทยาทานวิทยาทานคือการให้วิชาความรู้ต่างๆเพื่อจะได้นำมาไปเลี้ยงชีพ <S S S S S เป็นสัมมาอาชีพ <S S S S การให้ชนิดที่สามนี้เราเรียกว่าอาภัยทาน อภัยทานก็คือการให้อภัยหรือให้ชีวิตกับเขาก็ได้เช่นเราไปปล่อยนอกปล่อยปลาปลาที่เขาจะเอาไปฆ่าเอาไปกินเนี่เราก็ไปไปถ่ายชีวิตเขาออกมาแล้วเอาไปปล่อยให้เขาอยู่ต่อไปหรือไปถ่ายชีวิตวัวควายที่เขาจะเชื้ออยู่ที่โรงโรงฆ่าสัตว์เราก็ไปซื้อวัวเหล่านี้มาวัวควายเหล่านี้มา เพื่อให้เขาได้อยู่ต่อไปให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้นี่เราก็เรียกว่าเป็นการให้อภัยหรือถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้ท่านก็สามารถอภัยโทษนักโทษได้เป็นนักโทษที่มีโทษประหารชีวิตท่านก็อาจจะอภัยมีอภัยโทษลดลดหย่อนโทษประหารมาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้อภัย อภัยทานให้ชีวิตของผู้แล้วอนาคตถ้าเกิดเราจะต้องถูกเขาเชื่อถูกเขาฆ่าก็อาจจะมีคนมาช่วยถ่ายชีวิตของเราทำอะไรไหวอย่างไรเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาในภพชาติต่อไปถ้าเกิดเราไปเกิดเป็นปลาเป็นสัตว์ถูกเขาจับขึ้นไปจะเอาไปต้มเอาไปแกก็มีคนใจบุญมาถ่ายชีวิตของเรามาซื้อ ซ, ซ, ซื้อตัวเราไปปล่อยในในน้ำให้มีสาภาพให้อยู่ต่อไปได้อันนี้ก็เกิดจากอั น, นิสงส์ที่เกิดจากการที่เราทำอภัยทานญาติโยมบางท่านนี้จะนิยมชอบไปปล่อยนกปล่อยปลาไปซื้อปลาจากตลาดที่เขาจะเอาไปขายไปค่าเอามาปล่อยในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ให้ปลาที่จะตายนั้นได้มีโอกาสได้อยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกอันนี้เราก็เรียกว่าอาภัยทานให้อภัยให้ชีวิตกับผู้ไม่เอาโทษเขาเขาอาจจะทำผิดมีโทษประหารชีวิตก็ลดหย่อนให้เหลือแต่แค่จําคุกตลอดชีวิตอันนี้คือทานชนิดที่สามคืออภัยทานทานชนิดที่สี่ก็คือธรรมทาน อันนี้ก็คือการให้ธรรมะให้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหลายวิธีในการให้ธรรมะคาสั่งคําสอนถ้าเราได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆของครูบาอาจารย์ที่เราอ่านแล้วเราได้ประโยชน์เราได้ความรู้ได้ความฉลาดทําให้เราบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของจิตใจลงไปได้บางคนคิดจะฆ่าตัวตาย พอได้อ่านหนังสือธรรมะก็เปลี่ยนใจได้รู้ว่าการฆ่าตัวตายนี้มันไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่ร่างกายตัวที่ทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่ร่างกายถ่าร่างกายตายไปใจก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมผู้ที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆต้องมาฆ่าตัวนี้ พอหยุดความโลภหยุดความอยากที่มีในใจได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายก็หายไปบางคนได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วได้สติได้ปัญญาขึ้นมาทำให้เปลี่ยนชีวิตของตวเองจากชีวิตที่มืดมนกลายเป็นชีวิตที่ ส, สว่างสวัยด้วยอำนาจของแสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้า เมื S <S ่อเห็นว่าหนังสือธรรมะเหล่านี้มีคุณค่า mm. มีคุณประโยชน์กับตนเองช่วยช่วยช่วยชีวิตของตนเองได้กําล mm. ังจะฆ่าตัวตายอยู่ mm. พอได้อา่านหนังสือธรรมะแล้วเข้าใจว่าการฆ่าตัวตาย mm. ไม่ใช่เป็นวิธี mm. ที่จะกําจัดความทุกข์ในใจได้ฆ่าตัวตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายกิเลสที่อยู่ในใจที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมัยในก็ไปสร้างความทุกข์ ทำให้ใจต้องไปทุกข์อยู่ในอบายต่อไปฆ่าตัวตายแล้วยังต้องต้องพองตายไปแล้วยังต้องไปอยู่ในอบายต้องไปเป็นเปรตบ้างเป็ น, ป น, ปนไปตกนรกบ้างต้องไปตกนรกคนฆ่าตัวตายนี้มักจะต้องไปตกนรกกันด้วยความด้วยด้วยไฟอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เลยทําให้มาโทษร่างกายที่ว่า ถ้าทำให้ร่างกายตายแล้วความทุกข์ทรมานใจจะหายไปแต่มันไ ม, ไม่หายก็มไม่ได้ไปฆ่าเ ห, ห mm hmm. เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ทรมานเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ทรมานก็คือกิเลส ต, ตัณหานี่เองความโลภ ค, ความโกรธต่างๆ mm hmm. พอเราสามารถที่จะช่วยตัวเราเองไม่ให้ฆ่าตัวตายได้ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะแล้ว มันก็อาจจะคิดถึงคนอื่นที่มีมีความทุกข์เหมือนเราที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายถ้าเร า, เาหนังสือธรรมะเหล่านี้ไปให้เขาอ่านได้แล้วเขาอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นมาก็อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาของเขาได้แทนที่จะฆ่าร่างกายก็ไปฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภความอยากความโกรธ ต, ต่างๆ พอระงับความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้ความทุกข์ทรมานใจที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นการให้ธรรมทานเช่นพิมพ์หนังสือธรรมะเราอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนแล้วเห็นมีคุณค่ามีคุณประโยชน์สอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยูในใจให้หมดสิ้นไปได้เราอยากจะให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรามีกําลังทรัพย์ที่จะไป ไปพิมพ์หนังสือหรือไปซื้อหนังสือมาแจากเราก็ทำเอาไปพิมพ์หนังสือไปซื้อหนังสือมาแจาก mm hmm. อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานเป็นการให้ธรรมะหรือถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เราเป็นนักปฏิบัติเ mm hmm. ช่นเป็นนักบวชพอปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมขั้นต่างๆ mm hmm. เห็นวิธีของการดับความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆ เราก็สามารถเอาความรู้ที่เราได้จากการปฏิบัตินี้สอนธรรมะให้กับผู้อื่นโดยตรงเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์หนังสือ uh huh. เราอยู่ว่างๆมีใครเขามีความทุกข์ก็มาปรึกษามาหาความรู้ uh huh. เราก็สอนบอกเขาว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากกิเลสตัณหา uh huh. โลหะอาวิชชาไม่ได้เกิดจากใครเลย uh huh. ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เกิดจากการ สูญเสียบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ธรรมดาของโลกเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีการพัดทากจากการเป็นธรรมดาต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาต้องเจอกับการผิดหวังเป็นธรรมดาแต่ความทุกข์ใจมันไม่ได้เกิดจากการเจอเหตุการณ์เหล่านี้แต่เกิดจากความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ไม่อยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราเราักไปเป็นต้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่เราก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหยุดความอยากไม่ไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่ต้องการจะเจอเรื่องไม่สูญเสียไม่พลาทักสิ่งที่เรารักไป พอเราอยู่ความอยากเหล่านี้ได้เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ได้ถ้าเรามีปัญญาแบบนี้เราก็สามารถที่จะมาสั่งสอนคนที่เขามีความทุกข์ได้คนที่มีความทุกข์เขาก็มาหาคนที่รู้จักวิธีดับความทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตอบทรงตรัสว่าการให้ทานสี่อย่างนี้สิ่งที่ ดีที่สุดประเสริฐที่สุดได้คุณได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือการให้ธรรมะมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง<ม>เพราะว่าให้อย่างอื่นก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถไปบำบัดความทุกข์ทางใจได้ให้ข้าวของเงินทองก็ไปช่วยบำบัดคาขาดแทนทางร่างกายเอาข้าวของต่างๆเช่นเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่ อยู่อาศัยยารักษาโรค ก, ก็ไปช่วยบําบัดความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจก็ยังอยู่ต่อไปให้วิชาความรู้ก็เอาไปเป็นธรรมะหากินด้วยอาชีพที่สุดจริญนี <S S S S ่ก็ได้รายได้มาเพื่อเลี้ยงเลี้ยงร่างกายเหมือนกันแต่ไม่ไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ทางใจได้ <S S <ม>ให้อภัยทานก็เช่นเดียวกัน ม, มีการให้ธรรมะนี้ท่านั่นแหะที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ของใจได้นอกจากธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็เป็นการดับความทุกข์ที่สามารถดับจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลยก็ได้ธรรมะมีหลายระดับด้วยกันมีระดับทานระดับศีลระดับภาวนาเป็นการดับความทุกข์ใจและเป็นการสร้างความสุขให้กับใจไปพร้อมๆกัน เพราะใจนี้เป็นเหมือนกับเหมือนกับกลางวันกับกลางคืนถ้าใจไม่ทุกข์ใจก็จะสุขถ้าใจสุขใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าใจทุกข์ใจก็จะไม่สุขดงั้นถ้าดับความทุกข์ได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปวิ่งไปหาความสุขเหงแต่ดับความทุกข์ดับเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาท่านเองเช่นเวลาเราทาบุญทาทานเข้าของเงินทองนี้เราก็เราก็ดับกิเลส ตัวตัวโลภอยากได้เงินมากๆากเนือตัวหวงเงินของทองทัวที่ยึดติดกับเงินทองเนี่ยความยึดติดในเงินทองนี้จะทำให้ใจเราคอยภะวะภาวนคอยกังวลว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่พอเราเห็นว่ามันเก็บไว้ล้วมันทำให้ใจเราทุกเราก็เอาไปทำบุญทำทานแทนพอเงินก้อนนี้ออกไปจากใจเราได้แล้วความทุกข์กับเงินก้อนนี้ก็จะหายไป ใจก็เกิดความสุขใจสบายใจขึ้นมาเหตุที่เราทาบุญทาทานแล้วเรามีความสุขใจก็เพราะว่าเราได้ชนะความยึดติดเราสามารถปล่อยวางเงินทองข้าวของที่เราไม่มีความจาเป็นจะต้องต้องอาศัยต้องเก็บเอาไว้ใช้ mm hmm. เก็บไว้ก็จะเป็นภาระทางด้านจิตใจเพราะเราจะต้องคอยวิตกกังวลห่วงใ ย, ยว่าเงินทองนี้จะอยู่กับเราหรือไม่หรือจะจากเราไปแบบไหน ถูกเขาขโมยไปหรือเปล่าถูกคนชอบโกไปหรือเปล่าถูกเขาป่วนเขาจี้ไปหรือเปล่าพอเราเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญทำทานนะใจเราก็เบาสบายขึ้นมาความทุกข์กับเงินก้อนนั้นก็หายไปความสุขก็เข้ามาแทนที่ ท, ทันทีอันนี้แหละคือบุญคือความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญการทำบุญก็คือการละกิเลสในระดับต่าง ถ้าเราทําบุญบ่อยๆเราก็จะไม่มีความความโลภอยากจะได้เงินเยอะๆก็จะลดน้อยลงไปเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้เงินมามากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็จะเอาไปทําบุญยอยู่เรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าเราเก็บไว้มันก็จะเป็นภาระให้กับใจที่จะต้องคอยดูแลรักษาที่จะต้องคอยกังวลคอยวิตกต้องคอยห่วงใยพอไม่มีก้อนนี้เงินที่ไม่จําเป็น พอสละไปทําบุญทําทานไปได้ความวิตกกังวลห่วงยายกับเงินก้อนนี้ก็หมดไปใจก็เบาใจก็สบายขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมานการทําทานก็เป็นการชนะกิเลสคือความโลภความตณีความยึดติดในข้าวของเงินทองพอเราสละความโลภความยึดติดในข้าวของเงินทองไปได้ความตณีไปได้ใจเราก็เบาขึ้นความทุกข์ก็น้อยลง ความสุขในใจก็เพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆมันไม่สูญหายไปไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใช้เงินไปแล้วไปซื้อความสุขมาได้เสพได้สัมผัสเสร็จแล้วพอพอหมดไปมันก็หายจางไปเหมือนกับเราไม่เคยมีความสุขมาก่อนเลยความสุขที่ได้จากการเสพมันจะหายไปใจเราก็กลับมาอยู่ที่ศูนย์ อยู่ที่ไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขก็ต้องไปหาความสุขเอง ก, ก็ต้องไปเสพอีกเสดอกีกี่ครั้งกี่หนก็กลับมาที่สูเหมือนเดิมไม่เหมือนกับการเอาเงินไปทำบุญการทำเอาเงินที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี่ไปทำบุญนี้มันจะทำให้ใจเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญนี่วันนี้ฝากบุญร้อยบาทตรงนี้ฝากบุญอีกร้อยบาท ยอดของบุญมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่จางหายไปเหมือนกับการเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ<ม>นี่ก็คือการสร้างความสุขในระดับขั้นที่หนึ่งให้กับใจถ้าเราสามารถทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆติดเ ป, ป็นนิสัยไปเวลาตายไปถ้าเราไม่ได้ทำบาปหรือบาปที่เราทำมันมันมีน้อยกว่า บ, บุญใจเราก็จะ ไปอยู่ในสุคติไปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพไปอยู่แทนที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุสรกายเราก็ไม่ต้องไปถ้าเราไม่ได้ทําบาปวิธีที่เราจะไม่ทําบาป ก, ก็คือเราก็ต้องรักษาศีลนี่รักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาและไม่เสพอบายาัยมุขอย่างอื่น เช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมุศเนื้อและมีความเกลียดคร้านการกระทําเหล่านี้จะดึงใจให้ลงต่ําจะดึงใจให้ไปอยู่ในอบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอบายก็คือคุกตารางทางด้านจิตของจิตตะวิญญานนี่ เ, เป็นคุกตารางที่มีอยู่ในโลกทิพย์โลกที่เราอยู่นี้ก็มีคุกตาราง เวลาคนทำผิดกฎหมายก็จะถูกจับไปลงโทษถูกจับไปกักขังในคุกในตารางออในคุกตารางในโลกทิพย์ก็มีคุกตารางไว้กักขังดวงวิ ญ, ญญาณที่ไปทำบาปออถ้าไปทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต เ, เ, เป็ น, ปนดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหิวโหย ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสูรรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเผาผลาญจิตใจแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ละ ก, การเสพอบายามุขได้ใจก็จะไม่ต้องไปรับผล ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพคือไปเกิดในอบายนี่นี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลพอเรารักษาศีลแล้วใจเราจะมีความเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่เหมือนกับเวลาที่เราทําบาปเวลาทําบาปแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะวิตกกังวลห ว, วาดกลัวกั บ, ก, บกับโทษที่จะตามมานั่นเองเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราทําผิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้อง ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะถูกจับไปลงโทษไปติดคุกติดตารางในโลกนี้ถ้าถ้าตายไปกดแห่งกรรมก็จะมาจัดการกับเราทำบาปก็จะถูกกดแ่งกรรมนี้จับไปถังในคุกตารางแห่งอบายแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราก็สบายใจมีความสุขเหมือนกับคนที่ไม่ทำผิดกฎหมายนี้ไปไหนมาไหนก็ไปอย่างสบายใจไม่ต้องคอยหลบคอยซ่อน เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รู้สึกตกใจหวาดกลัวเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าเราทำอะไรผิดมาเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องคอยหลบคอยซ่อนเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ก็จะเกิดอาการตกใจหวาดกลัวขึ้นมาได้เพราะอาจจะไปคิดว่าเขาจะมาตามจับเราไปก็ได้แต่ความจริงเขาก็ไม่รู้เรื่องของเราเขาก็เป็นเขาเพียงแต่เดินผ่านมาผ่านไปแต่เราพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ ใจก็หวาดกลัวขึ้นมาแล้วพราเราได้ทําผิดเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดแล้วเราก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวเราจะรู้สึกเฉยเฉยตำรวจมาก็ามาไปก็จะมาจับเราทําไมเมื่อเราไม่มีเราไม่ได้ทําอะไรผิดฉันใดใจที่ทําบาปก็เหมือนกันเวลาใจทําบาปใจก็จะมีความทุกข์กลัวว่าจะต้องไปรับวิบากกรรมของตนนี่คือ การสร้างความสุขในระดับที่สองที่หนึ่งที่สองคือการทําบุญทําทานเป็นระดับที่หนึ่งระดับที่สองก็คือการรักษาศีลแลนะเว้นจากการกระทําบาปการไม่ทําบาปก็จะทําให้เราไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปไปเกิดในอบายไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์แล้วถ้าอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขังในคุกในตารางส่วนการทําบุญทําทานก็จะเป็นการ สนับสนุนจิตให้ไปสู่สวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทวดากันถ้าเราทำบุญทำทานแล้วเราไม่ได้ทำบาปหรือบาปที่เราอาจจะได้ทำบ้างมันมีไม่มากเท่ากับบุญถ้ามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ไปอยู่สู่สุขติจนกว่า บ, บุญที่เราได้ทำไว้มันหมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วเราก็จะทำมากลับมาทําบุญใหม่กลับมารักษาศีลใหม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปสังเกตดูคนที่มาเกิดในโลกนี้มีหลายแบบด้วยกันบางบางคนก็เป็นคนใจบุญบางคนก็เป็นคนใจโหดร้ายทารุณบางคนก็เป็นคนตนันหิขี้เหนียวบางคนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นนิสัยที่เขาได้ทํามาในใน ในอดีตชาติถ้าเขาเคยทําบุญเป็นนิสัยนิสัยทําบุญก็จะติดตัวมาถ้าเขาทําบาปเป็นนิสัยนิสัยทําบาปก็จะติดตัวมาถ้าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาก็จะติดนิสัยเป็นคนเห็นแก่ตัวติดตัวมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะมันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ในใจทุกการกระทํานี้ทําด้วยใจ นั่งกายเป็นเพียงเครื่องมือของการกระทำเราะฉะนั้นเกิดที่ใจแล้วฝังอยู่ในใจนิสัยชอบทำบุญก็ฝังอยู่ในใจนิสัยชอบทำบาปก็ฝังอยู่ในใจนิสัยเห็นแก่ตัวก็ฝังอยู่ในใจนิสัยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวก็อยู่ในใจทำแล้วมันก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติกลับมาชาติหน้าก็จะกลับมาถ้า ถ้าถ้ามีนิสัยชอบทำบุญก็กลับมาทำบุญต่อถ้ามีนิสัยชอบทำบาปก็จะกลับมาทำบาปต่อนี่คือเรื่องของความสุขใจและความทุกข์ใจที่เรามาสร้างกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่าไปสร้างความทุกข์ใจด้วยการทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ใจจากการทำบาปก็จะมีความสุขใจจากการที่ไม่ได้ทำบาป แล้วเราก็สร้างความสุขใจด้วยการทําบุญทาทานถ้าเราทาสองอย่างนี้ได้เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติตายไปก็กลายก็ไปอยู่ในสวรรค์เป็นเทพชั้นต่างๆพอบุญที่ได้ทำไว้หมดลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญใหม่ตายไปก็กลับไปสวรรค์ใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากที่จะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำบุญทำบุญ อ, อีกสองชนิดด้วยกันที่จะทำให้ใจเหล่านี้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้บุญที่เราจะต้องทำอีกสองชนิดที่จะทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดดับความทุกข์ทางใจทั้งหลายที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้คเราต้องปฏิบัติทาบุญด้วยการภาวนาจิตตาภาวนา คือการเจริญส ม, มะถะภาวนาทําใจให้สงบให้เข้าสมาธิเข้าฌานเรียกว่าส ม, มะถะภาวนาแล้วขั้นที่สองก็ทําจิตใจสอนจิตใจให้ฉลาดให้มีดวงตาเห็นธรรม mm hmm. เห็นอริยสัจส mm ี hmm. เรร่เห็นตายรักเห็นอรรนอิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักก็จะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสตัณหานีเองแล้วถ้า อยากจะให้ความทุกขห์หายไปก็หยุดความโลภหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ที่ใจโลภใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็อาจจะดีใจมีความสุขแต่มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปพอมันจากเราไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจเราก็อย่าไปมีมันดีกว่า เช่นเมื่อเช้านี้ก็มีญาติยมคู่หนึ่งเขาชอบเลี้ยงหมาเวลามีหมาเขามีความสุขเลี้ยงเหมือนลูกเขาไม่มีลูกเขาก็เลยไปซื้อหมามาเลี้ยงเป็นลูกแต่พอพอเวลาที่หมาที่เขารักนี้ตายไปเขาบอกเขาเสียใจมากแล้วตอนนี้เขาบอกเขาไม่อยากจะมีหมาแล้วเขาไม่ไปซื้อหมามาเลี้ยงอีกแล้วเห็นโทษของการมีความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเรียกว่าอนิ จ, จัง เป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลามันมีมันมีระยะเวลาของมันมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมือม่อเมือม่อเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงพอมันหมดไปมันก็จะทําทให้ใจทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจเขาก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไปซื้อหมามาเลี้ยงอีกแล้วพอแล้วเวลาหมาที่เราลากเราเลี้ยงดู มันตายจากเราไปนี่เศร้าโศกเสียใจเหมือนกับเสียลูกไปคนหนึ่งตอนเห็นทุกคนเราต้องเห็นทุกในสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์เลี้ยงก็ดีเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆก็ดีมันเป็นของชั่วคราวนั้นนะ่ะมันดีตอนที่เราได้มาใหม่ๆใช้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องชำรุดทุดโซม เดี๋ยวมันก็ต้องเก่าเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเหเดี๋ยวมันก็ต้องพังไปอย่นถ้าเราถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงมันจะทําให้เราทุกข์เราก็จะไม่ต้องการจะได้อะไรเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเมียนว่า้ตายเกิดอีกต่อไปแต่ก่อนที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้องหยุดใจของเราให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดใจไม่ได้เราจะหยุดความอยากไม่ได้ เพราะความอยากนี้อาศัยใจเป็นเครื่องมือในการทํา <Yeah. S 1> ถ้าเราทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเรายังทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ได้เราก็จะยังหยุดความอยากไม่ได้เพราะนั้นก่อนที่เราจะไปทางปัญญาเราก็ต้องมาทางสมาธิก่อนมาฝึกสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาม า, มาเจริญเจริญสมถะภาวนาก่อน yeah. ฝึกจิตให้หยุดให้หยุดคิดทําจิตให้นิ่งให้ได้การการที่จะทําให้จิตนิ่งได้นี่ต้องอาศัยสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาเราขับรถยนต์นี้เวลาที่เราจะจอดรถนี้เราต้องเหยียบเบรกกันถ้าไม่มีเบรกเราก็จะจอดรถไม่ได้รถมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอฉันใดใจของเราถ้าไม่มีสติก็เราก็จะหยุดความคิดของใจไม่ได้ ถ้าเราหยุดความคิดของใจไม่ได้เราก็จะให้ใจหยุดเข้าหยุดเป็นสมาธิไม่ได้ยังนั้นถ้าเรายังไม่มีสติพอที่จะหยุดหยุดใจให้เข้าสู่สมาธิได้เราก็ต้องเจริญสติก่อนอก่อนที่จะมานั่งสมาธิได้นี้เราต้องฝึกสติก่อนอเราต้องฝึกตลอดเวลาฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปเลยเอาลืมตาขึ้นมาล้วก็จเจริญสติอย่างใดอย่างหนึง่ง วิธีเจริญสติก็มีหลายหลายวิธีด้วยกันจะใช้คําบรลีคำรรพุทธโธพุทธโธก็ได้อันนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติให้มีสติรู้เลกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธพุทโธอยู่ในใจใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปนานๆเข้าต่อไปความคิดที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะหยุดไปเองมันจะหายไปงแต่ตอนต้นมันไม่หยุดง่ายๆ เราต้องขยันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปทั้งวันเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราเมื่อยกับการบริกรรมพุทโธเราจะเปลี่ยนมาใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ได้หันมาดูร่างกายเราว่าร่างกายเรากํลาลังทําอะไรอยู่ให้เฝ้าดูร่างกายทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวจะเดินก็รู้ว่ากํลาลังเดินจะนั่งก็รู้กํลาลังนั่งจะยืนก็รู้กํลาลังยืนกํลาลังทําอะไรก็รู้ว่ากํลาลังทําอะไร การับประทานอาหารก็รู้อยู่ ก, การรับประทานอาหารการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาแก่งเนื้อแต่งตัวค่ออยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าปล่อยใจให้หนีไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก็ดีหรือเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ดีถ้าเราควบคุมใจไม่ให้ไปคิดได้ใจก็จะมีสติใจก็จะนิ่งจะหยุดความคิดได้พอเราสามารถหยุดความคิดได้เป็นพักๆ เวลาเรามานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติมาก่อนไม่คอยควบคุมความคิดมาก่อนไม่คอยหยุดความคิดมาก่อนปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอยากจะคิดอะไรก็คิดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วก็เกิดความความอยากขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ไปทําตามความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกความคิดนี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสปัญหา ถ้าเราหยุดความคิดได้กิเลสตัณหาก็ทํางานไม่ได้ดังนัเราต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องเวลานั่งสมาธิเราพุโทโธพุโทโธไปไม่นาน5นาที10นาทีจิตก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้แสดงว่าเราสามารถหยุดจิตได้หยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดคิดหยุดจิตได้หยุดความคิดได้แล้วเวลาที่เราใช้ปัญญาพิจารณาว่าความทุกข์ของเรา นั้นเกิดจากเกิดจากความอยากต่างๆและสิ่งที่ที่เราอยากได้ที่จะให้ความสุขกับเรามันก็เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเวลามันหมดไปมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ได้พอ เ, เห็นด้วยปัญญาว่าเราต้องหยุดความอยากทุกชนิดไม่ว่าจะอยากกับอะไรก็ตามต้องหยุดมันให้ได้พอหยุดมันได้แล้วใจก็จะนิ่งใจก็สงบความทุกข์ก็จะหายไป พอความทุกข์หายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาแทนที่ทันทีทุกข์มากเวลาความทุกข์มากหายไปความสุขมากก็โผล่ขึ้นมาทุกข์น้อยเวลามันหายไปความสุขน้อยก็โผล่ขึ้นมาทุกข์กับสุขนี้มันเป็นของที่อยู่คนละด้านกันเหมือนเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านมีหัวกับก้อยถ้าเราโยนเหรียญขึ้นไปแล้วปล่อยให้มันตกลงมามันก็จะต้องตกลงมาหัวบ้างก้อยบ้างฉะนันใดความสุขความทุกข์ในใจเราก็เป็นแบบนี้ะ บางเวลาเราก็ทุกข์กันบางเวลาเราก็สุขกันเวลาที่เราสุขเวลานั้นก็ไม่มีความทุกข์โผล่ขึ้นมาเวลาที่เรามีความทุกข์ก็เป็นเวลาที่เราไม่มีความสุขโผล่ขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้มีความสุขตลอดเวลาเราก็คอยคอยหยุดความทุกข์เท่านั้นเองเราจะหยุดความทุกข์ได้เราก็ต้องไปหยุดที่เหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ใจเราทุกข์เพราะความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็จะทุกข์ใจขึ้นมา พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปพอเราทุกข์ทีไรเราต้องมามองที่ใจเราทันทีว่าตอนนี้เรากำลังอยากกันได้อะไรใจจึงเราเราอย่างไม่ได้ใจเราจึงทุกข์กันพอรู้ว่ามันทุกข์เพราะว่าเหมือนเช่นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเวลาไปหาหมอหมอวิเคราะห์แล้วว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากให้ใจทุกข์ไปกับความทุกข์ของร่างกาย เราก็ต้องหยุดความอยากของใจความอยากที่ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยใช้ความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้มันเป็นไตร่างเป็นอนิจจังร่างกายมันมีทั้งเจริญแล้วมีทั้งเสื่อมมีทั้งเวลาสุขสบายแล้วมีทั้งเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วย มันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาถ้าเราอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทําให้เราทุกข์ทรมานใจถ้าเรายอมรับว่าถึงเวลาที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับมันปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ใจก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียวคือความทุกข์ที่อยู่ที่ร่างกาย พอมีความทุกข์ลดลงไปครึ่งหนึ่งใจก็สบายใจก็ไม่ทุกข์ไม่ทรมานไปกับความทุกข์ของร่างกายอันนี้คือวิธีการดับความทุกข์สร้างความสุขทางใจด้วยการเจริญจิตตภาวนาเื้่งต้นทำจิตให้สงบนิ่งด้วยด้วยการเจริญสติให้เป็นสมาธิให้จิตนิ่งสงบแล้วจิตนิ่งสงบตัญหาความอยากต่างๆก็หยุดทางานพอตันหาหยุดทางานความทุกข์ที่เกิดจากตันหาก็จะหายไป พอความทุกข์หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความสุขและจิตเข้าสมาธิแต่ละครั้งนี้จะพบกับความสุขและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจะทําให้จิตใจติดใจกับความสุขแบบนี้ต่อไปก็จะไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแม้แต่ความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานก็จะไม่ไม่ไม่แสวงหาเหมือนเมื่อก่อนเพราะได้เจอความสุขที่ดีกว่ า, าก็จะ ดีกว่าการทําบุญทําทานพวกนี้ก็มักจะไปบวชกันเมื่อก่อนเป็นคารวะก็หาความสุขจากการทําบุญทําทานแต่พอได้ภาวนาได้เจอกับความสุขที่เกิดจากทางสงบเห็นว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าก็เลยทละเงินทองทั้งหมดไปแล้วก็ไปบวชไปหาความสุขจากการภาวนาดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเกียงแต่ว่าความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบเ น, นี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ พอสติไม่สามารถทําใจให้นิ่งได้ตลอดเวลาพอสติอ่อนกําลังลงใจก็จะถอนออกมาจากสมาธิพอถอนออกมาจากสมาธิก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้หายไปโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราสั่งให้มันเที่ยง ให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้พอเห็นว่ามันเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้ทันทีพอเราไม่มีความอยากความความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วความสุขที่ความสุขที่เกิดจากการหายไปของความอยากของความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาเราไม่ต้องไปหาความสุขกับเราเพียงแต่กําจัดความทุกข์ที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้เท่านั้นเองพอไม่มีทุกข์ใจแล้ว ใจก็จะสุขขึ้นมาเอง mm hmm. พอไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเลยความอยากทั้งหมดที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ถูกกำจัดด้วยปัญญาด้วยด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแนละ้ว mm hmm. ก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจ mm hmm. พอไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดีย hmm. วความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่สูญไม่เสื่อมเหมือ hmm. นเหมือนกับความสุขที่ได้จากสมาธิ ความสุขที่ได้จากสมาธิยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่พอออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จางหายไปแต่ความสุขที่ได้จากการใช้ปัญญากําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี้มันจะอยู่กับใจไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิด้วยสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วก็ความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดอันนี้แหละที่เราเรียกว่าพระนิพพานพอเรามาสุข บาลมนิบาลนังบาลมังสุขขังความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะอยู่กับใจติกับใจไปตลอดเนี่ยร่างกายตายไปความสุขที่ได้จากพระนิพพานก็ยังอยู่ในใจต่อไปอยังไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้ากับพระอนันตสาวกไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วเพราะมีความสุขอยู่ในตัวขอ ง, ของตนอย่างสมบูรณ์และเหตุที่จะพาให้มาเกิดก็ไม่มีแล้วเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากตา่างๆ ให้ถูกกาจัดด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาสามถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เองนี่แหละคือวิธีการมาแต่ บ, บุญสร้างความสร้างความสุขให้กับใจด้วยวิธีการต่างๆโดยหลักก็มีสามสี่วิธีวิธีแรกก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจพอเรารู้แล้วเราก็นํามาไปปฏิบัติ ทำทานเพื่อให้มีความสุขใจจากการเสียสละแบ่งปันแล้วก็รักษาศีลเพื่อเพื่อยับยั้งใจไม่ให้ไปติดคุกติดตรางในอบายแล้วก็มาเจริญส ม, มถะภาวนา ว, วิปัสสนาภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาที่มียในใจให้หมดสิ้นไปพอทำกิจทั้งสามหน่านี้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วใจก็จะพบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ฐานมของพระนิพพาน นี่คือเรื่องของการมาทำบุญในวันในวันหยุดพิเศษในเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะว่าถ้าต้องไปทำงานเราก็จะไม่มีโอากาสมาฟังเทศฟังธรรมมาฝึกสติมานั่งสมาธิมาทำบุญทำทานมารักษาศิ่กันนั่นเองอันนี้เราถือว่าเราได้กำไรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่เหล่านี้ไปพิจารณาและปฏิบัติต่ตอไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปัลิปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตางนังอุปกาปติอิชิตังปะทิตัง e ตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสพเีปุเรนตุสักปาจันโทปนะรสโยะถามณิโชติ ภราสุยท่าสัพิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กาเรียนผู้อารย์ครับวันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ o กผูาอารย์สชาติ341ท่านทาง y youtube ผูาอารย์สุชาติ346ท่านทาง youtube ดรวีทท47ท่านทางวิทยุออนไลน์15ท่าน ครับ h o า s ์ห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยห้าสิบท่านรวมทั้งหมดเจ้าร้อยสี่ท่านครับเชิญถามได้เลยเจ้าขากับนบมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากทางุดทุพระอาจารย์จากคุณนางเจ้าค่ะเอาเงินชราของพ่อมาใช้แต่พ่อเหมือนไม่เต็มใจให้ลูกสำนึกผิดจึงคืนให้ท่าน แต่ท่านไม่รับให้ลูกเอาไปใช้เหมือนเดิมแบบเต็มใจแบบนี้ลูกจะบาปไหมคะหลังจากท่านอนุญาตแบบเต็มใจแล้วคะ่ะถ้าท่านอนุญาตแล้วก็ไม่บาปใชะค่ะจากคุณสตาค่ะช่วยซื้อข้าวหมากจากคุณยายในตลาดแล้วเอาไปแจกให้คนอื่นต่อจะผิดศีลข้อห้าไหมคะข้าวหมากหรอข้าวหมากมันจะเหมือนเป็นข้าวห ม, มักมีมีมแอลกอฮอ ถ้าถ้าถ้ามันไม่ถึงกับทําให้เมาก็คงจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าอยากจะบริสุทธิ์ก็อย่าไปอย่าไปกินมันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรที่เป็นสุราแม้แต่หยดเดียวก็ก็ถือว่าผิดศีลข้อห้าได้ถ้าอยากจะให้มันไม่มีผิดศีลเลยก็อย่าไปกินมันกินอย่างอื่นก็ได้มีของกินเยอะแยะไปไม่ใช่มีแต่ข้าวมาอย่างเดียวเจ้าค่ะจักคุณเรืองยศ เรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อนั่งไปได้ระยะหนึ่งรู้สึกหน้าชาตัวชาต้องทําอย่างไรต่อไปครับนั่งต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไปสนใจไปขยับร่างกายเราก็จะถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเราไม่ต้องการจะถอยกลับมาเริ่มต้นเราก็นั่งของเราต่อไป อะไรจะปรากฏขึ้นระหว่างที่เวลาที่เรานั่งก็ไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองเจ้าค่ะจากคุณสัชสิขออนุญาตถามคําถามเจ้าค่ะคําถามข้อที่หนึ่งการใช้แรงกายในการทํางานถวายวัดถือว่าเป็นการทําทานไหมคะและถ้าการใช้แรงกายเป็นการทําทานจัดอยู่ในทานประเภทใดคะ ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญสิบประการคือการรับใช้ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังกายของเราเพราะว่าเราอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีไม่มีสติปัญญาที่จะสอนใครได้เราก็ใช้แรงกายของเราเช่นมาวัดก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามหรืเ อ, เ, อเห็นห้องซุม้มมันสโปรกก็ช่วยกันล้างห้องส่วมทาความสะอาดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตอาสาก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกัน คำถามข้อที่2การให้อภัยทานในสดของการให้อภัยโทษเป็นอภัยทานที่ได้บุญหรือบาปมากกว่ากันคะเท่าที่เห็นผู้ต้องหาจำเลยที่ได้รับอภัยโทษลดโทษก็กลับมากระทำความผิดซ้ำๆอีกทั้งการอภัยโทษหรือลดโทษยังเป็นการเพิ่มทุกข์ทานใจให้ผู้เสียหายมากขึ้นไม่เกี่ยวกันนะการอภัยโทษนี้เป็นการให้อภัย คนให้จะมีความสุขส่วนคนที่ได้รับอภพยาโทษจะไปทำตัวไปทำบาปใหม่อันนั้นก็เป็นบาปของเขาเป็นทุกข์ของเขาชหาวจักคุณจีลาการพิจารณาอสุภะต้องทำอย่างไรคะก็ะเห็นเห็นว่าร่างกายไม่สวยงามไงถ้าเห็นร่างกายเป็นซากศพนี่ก็จะเห็นว่ามันไม่สวยงามหรือถ้าเห็นอาการ32อาการอวัยวะที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนัง ยันเห็นโครงกระดูกเห็นปอดหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้อย่างนี้ถ้าเห็นแล้วคนในคนที่รูปหล่อหรือที่สวยงามก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ไม่รูปหล่อไม่สวยงามขึ้นมา ท, าทันทีมันก็จะดับกามราคะได้ความอยากจะเสพกามอยากจะร่วมเพศก็จะหมดไปถ้าเห็นร่างกายว่าเป็นร่างกายที่ไม่สวยไม่งามจากคุณโกรีกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งสมาธิถึงจุดนิ่งแต่กลับได้ยินเสียงหัวใจเต้นจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ปล่อยมันเต้นไปไม่นองทำอะไรแล้วก็นิ่งของเราไปเฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปจากคุณประพัน์การไปสู่สุขตินับตั้งแต่พบภูมิของมนุษย์เป็นต้นไปใช่ไหมครับก็มนุษย์นี่ยยังถือว่าเป็นกลางๆอยู่ไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นที่มาสร้างบุญสร้างสร้างบาปเป็นที่มาสร้างสุขหรือสร้างทุกข์แต่เวลาตายจากมนุษย์ไปเป็นดวงวิญญาณเนี่ยถึงจะไปสู่สุขติไปเป็นเทวดาสุขติไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลภพเหล่านี้ถือว่าเป็นสุขติพเพราะมีความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ภพของมนุษย์นี่มันมีแบบห้าสิบห้าสิบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์วนกันไป แต่ถ้าไปอบายเป็นสัตว์เดราชฉานมันก็จะทุกข์มากกว่าสุขเป็นทุกขติไปฉั้นพบของมนุษย์นี้ถือว่าอยู่กลงกลางระหว่างสุขติกับทุกขติเป็นที่เราจะมาเลือกว่าเราจะไปสุขติหรือไปสู่ทุกขติเป็นมนุษย์นี้เราเลือกได้เพราะว่ามนุษย์นี้แหละเป็นผู้สร้างทุกขติหรือสร้างสุขติด้วยการทําบุญน์ด้วยการทำบาป จาค่ะสักคุณตักกี้กราบนมัสการพระอาจารย์เวลามีประสบการณ์สัมผัสกับอีิมิติจะทําอย่างไรให้เรามีสติไม่กลัวแล้วทําสมาธิต่อคะแล้วเราจะแผ่เมตตาให้จิตวิญญาณเหล่านั้นได้อย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ต้องแผ่เมตตาหรอกถ้าเรากลัวเราก็ให้เราถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปหรือพุทโธทธรโมูสังโฆไปดนกว่าความกลัวจะหายไป แล้วเราก็เราก็ภาวนาต่อไปของเราสิ่ง ต, ต่างๆที่ปรากฏน่ากลัวขนาดไหนเขาก็ทำร้ายเราไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวเป็นเหมือนดูหนังหนังผีหนังผีผีมันอยู่ในจอมันไม่ได้ออกมาบีบคอเราคนที่นั่งดูหรอคนที่นั่งสมาธิก็เหมือนคนนั่งดูหนังหนังภายในใจเรานี่เปนเหมือนจอหนังแล้วมันก็จะฉายหนังทั้งหนังดีหนังไม่ดีให้เราดูะ ถ้าเจอหนังไม่ดีหรือหนังดีก็อย่าไปสนใจเพราะเราต้องการทําใจให้ว่างใจจะว่างก็ต้องมีอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าใจเรายังไม่ว่างยังไม่สงบถ้าใจสงบแล้วเดี๋ยวจอมันก็จะว่างคําถามจากทาง facebook จ้ะค่ะมีกระดูก ข, ของแม่แฟนอยู่ในบ้านแต่ผมกําลังจะมีลูกน้อย อยากถามหลวงพ่อว่าผมต้องทำอย่างไรครับไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยไว้เหมือนเดิ ม, มกระดูกก็เป็นกระดูกไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วตรงไหนมไม่ได้ทำให้คนดีคนชั่วแต่อย่างไรอาจจะทำให้คนมีปัญญาก็ได้ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นกระดูกแบบนี้เหมือนกันเมืเกิดปัญญาขึ้นมาเาค่ะจักคุณนุดีน้อมกราบในมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจะขอเรียนถามว่า เมื่อนั่งสมาธิแล้วเห็นสีสษะของตัวเองแยกออกจากกันหนังที่หุ้มรอบกายโดนแยกออกจากกันจนหินนำเลือดและกระดูกสักพักกระดูกแห้งไปหมดลมหายใจหายไปเกิดอาการเหมือนตกจากที่สูงและหยุดนิ่งมีแสงสว่างจ้าและคงที่จนกระทั่งถอนออกจากสมาธิ การนั่งอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าค้าขอความเมตตาจากหลวงพ่อชีนะด้วยเจ้าค่ะมันก็เป็นเชิงวิปัสสนาคือทำให้เราเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายต่อไปมันก็ต้องกลายเป็นโครงกระดูกเป็นซากศพไปแล้วถ้าเราดูนอจิตใจเราวางเฉยได้ไม่กลัวไม่ทุกข์ก็สแสดงว่าเรามีปัญญาต่อไปเวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่กลัว เราราาู้ว่่่มันนเป็สิงที จ, งจ้าค่ะจากคุณสุกัญญาถ้าใจระลึกถึงพระนิพพานอยู่เสมอเราจะถึงซึ่งพระนิพพานใหม่เจ้าค่ะไม่ถึงหรอกนึกถึงเงินเนาไม่ทําให้เรารวยใช่ไหมนึกถึงเงินทุกวันทุกวันมันไม่ทําให้เรารวยอยากจะรวยต้องไปหาเงินไม่ใช่นั่งนึกเฉยๆอยากจะได้นิพพานก็ต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้นิพพานก็จะมาแต่ถ้านั่งนั่งนึกถึงแต่นิพพานนิพพานนิพพานไปนั่งปัจจุบันตายนิพพานก็ไม่มานึกมันไม่ได้มาด้วยความนึกคิดมันมาด้วยการปฏิบัติเหตุที่จะทําให้เราไปถึงนิพพานคือการปฏิบัติทานศีลภาวนานเองเซค่ะการจับภาพพระพุทธรูปเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งไหมคะที่ทําให้ใจไม่วอกแวกเวลาจับภาพ ถ้ามีสติอยู่กับภาพแล้วก็ไม่ไปคิดอะไรก็เป็นสติก็เป็นสติเป็นสมาธิได้ถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ใจนิ่งเฉยได้ก็เป็นสมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะมีคำถามจากนัาคุติเจ้าค่ะถามเข้ามาว่าน่าจะฝึกให้ตัดความคิดยึดติดกับเหตุการณ์ ที่มิจฉาชีพดูดเงินเราไปจำนวนหนึ่งที่เราสะสมมาเตรียมใช้ยามแก่เจ็บป่วยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราถ้ามันไม่อยู่กับเราก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้ว ก, ก็ต้องทำใจว่ามันของมันเปลี่ยนมือได้วันนี้เป็นของเราพวนี้อาจจะกลายเป็นของคนอื่นก็ได้ชนเวลาเราเอาเงินไปเที่ยวเงินก็หมดไปแล้ว เราก็ไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเลยเพราะเรายินดีให้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ยินดีให้เราก็เศร้าโศกเสียใจยงั้นก็ต้องยอมก็ต้องปรับตัวว่าตอนนี้เป็นไฟบังครับต้องยินดีเพราะถูกเขาขโมยไปก็ต้องหัดยินดีเอา้าเพราอยากจะได้ก็ให้เขาไปให้แล้วเราก็มีความสุขจากการให้เขาไปเพราะเรากลับมาไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่เลยเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเค มีใครอยากจะถามไหมเจญถามได้นะให้เวลาคิดก่อนก็ได้พอ <c oughs> คิดอยากจะถามอะไรเพราะนี <c oughs> ่ก็พูดมามากก็เหนื่ <c oughs> อยก็เลยขอพักก่อนขอนั่งเฉยๆรอคำถามเข้ามาใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ <c oughs> คำถามก็เป็นประโยชน์ทั้งผู้ถามและผู้ฟังด้วยผู้ฟังอาจจะไม่รู้ปัญหาอย่างนี้มาก่อน ก็จะได้รู้วิธีแก้ต่อไปถ้าเกิดเจอปัญหาแบบเดียวกันก็จะได้แก้ได้เจ้าค่ะจากคุณชยันกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับกระผมสนใจในทางธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ในจิตใจของตนเองที่มีอยู่ด้วยความศรัทธาแต่ควรแก้ไขยอย่างไรครับ เมื่อเกิดความผิดพลาดหลงกลกิเลสในตนเองที่แฝงมากับความโลภโกรธหลงที่กลับกายมาเป็นการ พ, อพ่อปูนอัตตาตัวเองกลับขอบความเมตตาพระอาจารย์ครับต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยเตือนอยู่เรื่อ ย, อยถ้าเราศึกษาเองปฏิบัติเองเราอาจจะหลงหลงตัวเองได้นั้นต้องไปเป็นท่านนี่เขาา้าบังคับให้อยู่กับครูบาอาจารย์หปีด้วยกันห้ 5, าพรรษาด้วยกัน ให้ศึกษาให้เรียนรู้ความผิดความถูกต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดั mm hmm. งนั้นทางนี้ต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนาสั่งสอนเช่นที่นี่ก็มีคำถามอะไรสงสัยอะไรก็มาถามได้ mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่างหนึ่งเราสมัยนี้อาจจะไม่ต้องเป็นอ ย, อยู่ที่เดียวกันก็ได้เพราะสมัยนี้เราสามารถติดต่อผ่านทางมือถือได้ mm hmm. มีคำถามอะไรเราก็เข้ามาถามได้ ที่นี่มีมีช่องทางให้เข้ามาถามได้ช่วงตอนที่เทศเสร็จแล้วบ่ายสองมงกว่าก็จะมีการถามตอบคำถามหรือช่วงกลางคืนวันพุธก็มีการถามตอบคำถามวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้ก็มีการถามตอบคำถามผ่านช่อง YouTube Facebook เวลาสองทุ่มก็สามารถเข้ามาสอบถามมาฟังได้การปฏิบัตินี้ต้องคอยต้องฟังทาอยู่เรื่อยๆคอยคอยคอยแก้ปัญหาของตนอยู่เรื่อยๆ อย่าพยอย่าแก้เองถ้าแก้เองนี่มันมักจะหลงทางแก้ผิดมากกว่าถูกนอกจากว่าเราฉลาดจริงๆแล้วแก้ได้ก็แก้ไปเช่าค่ะจากคุณอาอินบิวกลาบในมาสการเรียนถามเหตุใดสมัยพุทธกาลผู้คนฟังธรรมจากพระโอษพระพุทธเจ้าจึงได้รู้โสดาบันได้ง่ายกว่าฟังธรรมจากพระสุปฏิปนโนในปัจจุบันมาก พรเขามีสมาธิไง mm hmm. เขามีศีลมีสมาธิอยู่แล้ว mm hmm. พอฟังธรรมคือปัญญา mm hmm. ก็ได้ครบศีลสมาธิปัญญาก็บรรลุธรรมได้สมัยนี้คนฟังธรรมส่วนใหญ่ศีลอยังไม่ค่อยบอริสุทธิ์กันเท่าไหร่แล้วก็สมาธิก็ยังไม่มียังจิตไม่รวมจิตไม่เข้าสมาธิได้ก็เลยหยุดกิเลสตัณหาไม่ได้พอฟังธรรมด้วยปัญญาว่า mm hmm. ทุกข์เกิดจากตัณหาความอยาก mm hmm. ก็ละตัณหาความอยากไม่ได้ mm hmm. แต่ถ้ามีสมาธิพอฟังธรรมแล้วรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็หยุดความอยากได้ฉันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็บรรูุเป็นพระโสดามันได้ทันทีจากคุณนัสสิเวลานั่งสมาธิแล้วติดอยู่ในความสงบแล้วมีคนมาปลุกให้ตื่นรู้สึกหงุดหงิดมากค่ะต้องดับความโกรธยังไงคะ ก็อย่าไปโกรธเขาสิเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะทาอะไรก็ต้องยอมรับเป็นว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันต่อไปก็ไปนั่งในที่ที่ไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาคอยมาปลุกเราแต่นั่งสงบแบบหลับมันก็มีนะถ้าเป็นความสงบแบบหลับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีคนมาปลุกให้เราเตื่นก็แสดงว<ม>่าเราหลับ ถ้าเป็นสมาธิจริงๆแล้วไม่หลับตื่นรู้สึกตัวตลอดเวลามีสติตลอดเวลาแต่ถ้าใครมาขัดจังหวะก็ให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษโก่อกิเองเขาเขาอาจจะมีความหวังดีอาจจะเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเรากลัวว่าเราจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าถูกผีเข้ามาสิงหรือเปล่าอะไรเป็นต้นเขาก็เลยอาจจะมาบุกเราให้เราออกจากสมาธิมาก็ให้คิดว่าเขาหวังดีก็แล้วกันถ้าเราก็จะได้ไม่โกรธเขา เ้าค่าจากคุณนิ่มถือสินแปดเดือมน้ําปานะได้มากน้อยแค่ไหนคะคืินเดือมให้น้อยที่สุดเดือมเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นเดือมน้ําเปล่าดีกว่าเพราะน้ําปานะมันก็ยังมีรสมีสีมีกลิ่นมันก็ยังเป็นเป็นกามอยู่เป็นกามาคุณอยู่ถ้าไม่อยากจะเสพกามาคุณเลยก็เดือมน้ําเปล่าไปเพราะร่างกายจริงๆก็ต้องการเพียงแต่น้ําเปล่าๆนี่ ส่วนรูปสีหรือ ก, กิ่นของน้ำนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสมากกว่ า, างั้นถ้าดื่มน้ำมันก็ดื่มไ ด, ได้ตลอดวันหิวเมื่อไหร่ก็ดื่มได้หิวน้ำเมื่อไหร่ก็ดื่มได้ไม่มีข้อจำกัดแต่ถ้าไปดื่มน้ำที่มีมีรสหวานนี่ดื่มมากๆเดี๋ยวก็น้าตาลขึ้นอีกเดี๋ยวก็ต้องไปเบาหวานีต้องไปหากินยาลดเบาหวานี่เป็นปัญหา ยังถ้าน่าปฏิบัติทําจริงๆแล้วคนจะหลีกเลี่ยงพวกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆของเครื่องดื่มของอาหารกินอาหารก็กินแบบจืดๆชืดๆไปไม่ได้กินเพื่อให้มันรอร่อยอร่อยกินเหมือนกินยาเพื่อดับความหิวก็พอดื่มน้ําก็ดับความหิวกระหายของร่างกายที่ขาดน้ําไม่ต้องไปดื่มน้ําปานาที่มีรสชาติน้ําชากาแฟอะไรต่างๆ น, งนี้ดื่มแล้วมันจะติดแล้วจะคอยหาดื่มเรื่อยๆแต่ถ้าน้ําเปล่านี้มันไม่ติด มันจะดื่ก็ต่อเมื่อมันหิวจริงๆครนี่เจ้าค่ะจากคุณทิติพลพระผิดเศคิตยวัตรบ่อยถือว่าศีลพร่องมากไหมครับมีผลต่อการทําสมาธิวิปัสสนาไหมครับก็มีถ้าศีลมันพร่องจิตก็จะวุ่นวายจิตจะสงบยากถ้าศีลไม่พร่องจิตก็จะสงบจิตจะไม่วุ่นวายเวลาทําสมาธิจิตก็จะสงบง่าย ศีลเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิถ้าศีลไม่มีไปทำเรื่องทำราวทะเละเบาะแว้งกับคนนั้นคนนี้ใจก็วุ่นวายพอมานั่งสมาธิก็ทำให้ใจสงบได้ยากกว่าใจที่ไม่วุ่นวายจากุณชินะเจ้าค่ะความคิดกับจิตต่างกันอย่างไรครับจิตเป็นผู้รู้ความคิดเป็นส่วนหนึ่งของจิตจิตเป็นผู้มีความสามารถที่จะคิดได้ มีความรู้สึกได้มีความจดจำได้นี่คือความสามารถของจิตที่เป็นผู้รู้คุณโนดีค่ะนั่งสมาธิแล้วจิตติดเพ่งต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ต้องมาลว น, นั่งสมาธิก็ต้องเพง่งเพ่งอยู่กับพุโทโธพุโทโธหรือเพ่งอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกถ้าไม่เพ่งมันก็จิตก็จะลอยไปลอยมาการเพ่งนี่เพ่งนี้เพื่อดึงจิตให้อยู่ให้นิ่งให้สงบนั่นเอง เหตนั้นการการเพ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาปัญหาคือการไม่เพ่งมากกว่าการปล่อยให้จิตลอยไปลอยมาถ้าปล่อยให้จิตลอยไปลอยมานั่งไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่สงบแต่ให้มันเพ่งอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวนี่เดี๋ยวมันก็จะสงบได้ เคขอความเมตตาสอนเรื่องการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นแบบง่ายๆครับใจยึดมั่นไม่ยอมปล่อยวางความคิดเสียทีครับก็อบอกว่าไม่ได้เป็นของเราไงไม่มีอะไรเป็นของเราพระเจ้าบอกไปยึดไปติดเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปพอกลายเป็นของคนอื่นไปเราก็จะเสียใจทุกข์ใจถ้าเราถือว่าไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่เสียใจเวลามันจากเราไป ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะขอให้ท่านตรงนําเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ